ในการที่จะต้องสอะแสวงหาอะไรต่ออะไรอีกนอกจากจะเสอะแสวงเพื่อทำขั้นสูงเพื่อหลักอันแน่นห น, นามันคงยิ่งกว่าที่ได้แล้วนี้ขึ้นไปเท่นั้นจึงต้องเรียนถามพระอาชาชิมาท่านอยู่ในสำนักใดใครเป็นครูในการของท่านเมื่อได้ทราบแล้วก็ทัพทวรมบริษัทปริวารสองร้อยห้าสิบคน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 ง่ายมีดังคิ ป, ปาพิญญา ท, ทุกขาปฏิปทาทันทาพิพญญาอย่างนี้เป็นต้นคือทั้งปฏิบัติลาบากทั้งรู้ได้ช้านี่คือว่าผูดดำเนินยากลำบากไม่ได้มีมาเฉพาะครั้งเหล่านี้เท่านั้นผู้ปฏิบัติยากลำบากผู้ง่ายมีมาตั้งแต่ครั้งกุตการู่แล้วทันยกบุคคลไว้สี่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 ที่จะต่อสู้เพื่อชัยชนะท่านับตัวเราอันนี้เป็น อ, า ต, า อ, าอาตาหิอาตานูนาถูแท้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านสอนไว้ยังว่าตุงให้ติตจังอาตัดปังอาขาตาโลตถาคาตา่าการประกอบความเพียรเพื่อแก้ที่เละทั้งหลายเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายต้องทำเอง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 ต่อที่เล็กอย่างไรนั้นเป็นอุบายความยากคายฤติกำลังความสามารถของเราที่จะเข้าต่อสู้สงครามด้วยความอดานานชาทยด้วยความเฉลียวฉลาดมากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องของเรารอถึงความแพ้ความชนะถ้าเราด้อยสติปัญญาศรัทธาความเพียรที่เล็กก็ทับถมเราเราก็แพ้ถ้าเรามีความ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 ต่อเราโดยจะพะนั้นก็คือความภาคเพียรของเราที่หวังพึ่งตนเองด้วยสติปัญญากระทาความเพียของเรามีเท่านี้ที่ผู้ที่จะเอาชัยชนะให้จิหลุดพ้นไปจากสิ่งจิตขวางทั้งหลายที่ท่านเรียกว่ากิเลสกิเลสต้องใช้สติปัญญาของเราให้เต็มผู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 สติปัญญาที่จะนํามาใช้เพื่อแยกแยะธาตุขันธ์เหล่านี้ซึ่งเป็นความผูกพันกับจิตใจหรือใจไปผูกพันกับสิ่งนี้แล้วเอาความร้อนมาสู่ตัวเอง mm hmm. ก็เหมือนเหมือนกันกับครัง้งพุทธการเราจะแก้ด้วยวิธีใดสติปัญญาก็พระพุทธเจ้าท่านแก้ได้ด้วยพระสติปัญญา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 ยังสาภาวะตามหลักคำตังสอนมือเจ้าแล้วมารบกับกิเลสยังจะแพ้กิเลสที่อีกแล้วก็ขายหน้ารู่นอกจากขายหน้าตัวเองแล้วก็ขายหน้ารู่พระตถาคตคือผู้แกาวกล้าสามารถผู้อ า, านหารผู้ชนะในสงสงฆามอันใหญ่หลวงได้แก่สงรามแห่งวัฏจักรทรงสลัดปัดทิ้งทำลายกองจักรแห่งวัฏจักร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 ศรัทธาความเพียรของเราเราจะเอาอะไรไปเพื่อความเพื่อชัยช น, นะมีสติปัญญานี้เท่านั้นที่จะสามารถอาจเอื้อมนำชัยช น, นะมาสู่เราได้ส่วนค้ความโง่เขลาว่าปัญญามีมากเพียงไงก็เป็นกลุ่มของกิเลสที่จะมารุมจิตรุมใจของเราให้เกิดความเดือดร้อนอยู่ตลอดไปและหาทางออกไม่ได้แท้ไปตลอดสาย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 ต้องเป็นผู้เห็นไผ่ต้องเป็นผู้มีสติสตระจ่างระมัดระวังรัมมกษาจิตใจของตนเสมออย่าให้สิ่งที่มวหมองเข้ามาเกี่ยวข้องผัวพันมันเป็นของไม่ดีมาจากไหนแต่ไรเราก็พอทราบแล้ว อ, ลอย่างกระจับใจการแก้จิตใจให้หลุดพ้นไปโดยลาดับ น, นั้นคือการสร้างคุณสมบัติของใจขึ้นให้เด่นภายในจิตใจของตน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 แห่งความรู้นี้แห่งเดียวเท่านั้นไม่มีที่อื่นใดเป็นที่แสดงออกแห่งความพึงใจผมขอยุติการแสดงแผงธรรม